คราวนี้เริ่มจะเห็นทุกอริยสัจได้ชัดเจนแล้วถ้าใครเริ่มเห็นอย่างนี้ชัดขึ้นนะว่าเออไอพะกิเลสเราบางทีเนี่ยเนี่ยไปอย่างนี้แหละมันก็เลยทําให้เราเนี่ยทุกเยอะแยะไปกรณีบางคนเนี่ยแต่งงานไปแล้วก็ทุกก็มีอ่าใช่ไหมหรือบางคนหย่าก็แล้วก็ทุกก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนหย่าแล้วก็บอกว่ามีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่แต่งหรือไม่ได้อยู่ที่หยา่า แต่มันอยู่ที่จิตคนนั้นว่าคนนั้นน่ะมีความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยยังไงบ้างรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ตามความเป็นจริงเนี่ ย, งง ข, นนยขนาดไหนนะถ้าใครเริ่มรู้ทุกอริยสัจตัวนี้ได้เนี่ยคราวนี้เล็กี้มีคําตอบแล้วนะว่าสมุทัยเนี่ยว่าต้น เ, ตเ น, น, ตนเหตุใช่ไหมสมุทัยนี่คือต้นเหตุใช่ไหมต้นเหตุของความทุกขคนนี้ก็จะมองได้ชัดมองได้ตามความเป็นจริงแล้วว่า อ่าทุกเพราะใจเราแ่ะไม่ใช่ทุกเพราะคนอื่นแล้วไม่ใช่ทุกเพราะคนมาเปิดฝาท่ออ่าไม่ใช่ทุกเพราะคลื่นซูนามิอ่าไม่ใช่ทุกเพราะไอคนนั้นคนนี้มาโกงเราไม่ใช่ทุกเพราะคนนั้นคนนี้มาแกล้งเราไม่ใช่เพราะถ้าใครยังมองอยู่อย่างนั้นก็จะโทษคนโน้นคนนี้คนนั้นโทษสิ่งต่างๆคนนี้ยังไม่เห็นอริยสัจ ท, ที่เป็นสมุทยัย ไม่เห็นเมื่อใครไม่เห็นสมุทรไทยที่เป็นอาริยสัตว์แบบนี้เวลาเขาจะแก้เขาก็ต้องไปแก้ที่ไหนไปแก้ที่คนที่เขาคิดว่านั่นแหละมาเบียดเบียนหรือว่ามาทำลายเขาเขาก็ต้องไปแก้ที่คนนั้นเหมือนอย่างก็ว่าเนี่ยก็ต้องหาใครเปิดฝาท่อทิ้งเอาไว้จะจัดการไอ้คนที่เปิดฝาท่อทิ้งเอาไว้เขาจะต้องไปจัดการที่ไอ้อคนนั้นอเพราะนั้นอันเนี้ย นะอาตอมาถึงบอกว่าถ้าคนเริ่มเข้าใจอริยสัจนี้ได้แล้วอ๋อมันอยู่ที่ใจเรานี่เองที่ใจเราเนี่ยมันคิดยังไงอ่ะถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยโอ้มันก็เป็นทุกข์นะพอเป็นทุกข์เสร็จแล้วถ้าจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องแก้ที่ใจเราเนี่ยก่อนเลยนะอย่าให้มันทุกข์มันต้นเหตุมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วคราวนี้ต้นเหตุเพราะอะไรคราวนี้อ่าสมมติว่าเดินตกขวาท่อเพราะว่าโอ้โหเราโกรธขึ้นมาเราไม่ชอบใจขึ้นมา อ๋อไอ้ต้นเหตุที่ทําให้เราทุกข์อยู่ตอนนี้ก็คือความโกรธความไม่ชอบใจความเกลียดชังของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไขายมาเปิดฟ้าท่อนี่กิเลสตัวนี้นี่เองนะที่มันเล่นงานเราอยู่แล้วทําให้เราเนี่ยจะหาเรื่องละหาเรื่องคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆแล้วเราะั้นถ้าใครเห็นต้นเหตุตรงนี้ได้ว่าอ้อไอ้ทุกข์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยต้นเหตุเพราะไอ้กิเลสตัวนี้ของเรานี่เอง มันทุกข์มันไม่ชอบใจมันไม่พอใจอย่างนี้เองนะแล้วก็ทําให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้อเพราะฉะนั้นเขาจะแก้ที่ต้นเหตุก็คือแก้ที่เออแล้วทำไมต้องไปโกรธด้วยละ่ะยิ่งเนี่ยใครเปิดฝาท่อไว้ก็ยังไม่รู้เลยว่าใครแล้ว ไ, ไปโกรธใครที่ไหนอ่านี่ขนาดเอาตัวอย่างง่ายๆนะแต่ถ้ายิ่งเห็นใครเปิดฝาท่อคราวนี้โอ้โหคุณยิ่งทําใจยากเลยเห็นเห็นอยู่เลยว่าไอ้นี่มันมาเปิดฝาท่อ นะ่ยิ่งอะไรอะมีไอ้นั่นนะไอ้ที่เขางัดฝาท่ออยู่ในมืออยู่น่าถืออยู่ในมือเอ่คุณยิ่งแน่เลยไอ้นี่แหละเป็นคนเปิดฝาท่อแน่แน่คุณจะยิ่งโกรธจะยิ่งเล่นงานเขาใหญ่เลยสมูทไทยอันนี้คุณจะยิ่งมองไม่มองไม่ออกเลยมองไม่เจอเลยว่าสมุทไทยที่เป็นทุกอริยสัจเนี่ยเราเรียกว่าสมุทไทยอริยสัจนะคุณจะยิ่งไม่เห็นเลยว่ามันพราะกิเลสความ เกลียดความโกรธความไม่ชอบใจตัวนี้ของเราไม่ใช่ที่คนเปิดฝาท่อคุณจะยิ่งมองไม่ออกเลยนะแล้วรับรองได้เลยเพราะส่วนใหญ่เลยปฏิกิริยาทันทีอ่ะถึงบอกว่าน้อยรายที่จะโทษกิเลสของเราเพราะฉะนั้นจะเล่นงานคนอื่นตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสามีภรรยาเนี่ยว่ารักกันหนาแต่พอไม่ชอบใจไม่ถูกใจกันโอ้ นุ่นข้างฝาบ้านนะโอ้ติดข้างฝาเลยนะเพราะฉะนั้นไม่หรอกเหรออาอาตมาไม่จะบอกว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวเนี่ยผู้ชายอาจจะติดข้างฝาก็ได้ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกโอ้โหก็คุณดูทียังเอาค้อนไปทุบได้เอาพู้วัไปทุบได้นะผู้หญิงทุบนะไม่ใช่ผู้ชาย เพราะอย่าเข้าใจผิดามาพูดเนี่กลางๆอยู่แล้ววัราะเนี่ยถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้นะสมุดไทยอริยสัจคราวนี้ถึงจะรู้นิโรธอริยสัจคราวเนี้ยการที่เราจะดับทุกข์ได้ถึงจะรู้ว่าจะดับตรงไหนถึงจะถูกตัวถูกตนจะไม่ดับผิดตัวผิดตนไม่ดับผิดประเด็น พอบอกแล้วถ้าคุณดับผิดประเด็นคุณก็ต้องไปดับที่สิ่งอื่นอย่างอื่นหมดแหละต้องให้แก้ให้ได้อย่างที่เอามาบอกต้องให้เขาเปลี่ยนรถให้อ่าคุณถึงจะมีความสุขได้ใช่ไหมไอ้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ยังไม่ไ ม, ไม่รู้นิโรธอาริยสัตดับทุกข์ไม่ถูกไม่ถูกประเด็นไม่ถูกสัจจะไม่ถูกความเป็นจริงคนมาด่าเราเนี้ย เ, เราจะดับทุกข์ี้ได้ก็คือไม่ได้นะ ต้องเปลี่ยนคําพูดนะอต้องให้ชมเราเหรอแล้วเราถึงจะมีความสุขอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณไปเจอใครที่พูดขัดใจคุณหรือว่าพูดตําหนิคุณว่าคุณคุณก็ต้องทุกๆครั้งไปเหรอใช่ไหมล่ะพราะมันดับไม่ถูกตัวไม่ถูกตนอันมาบอกว่าไม่หรอกต่อให้มีคนมาด่าเราอยู่คนขัดใจเราอยู่เนี่ยทําให้เรา ไม่พอใจอยู่อย่างเงี้ยอ่าเพราะฉั้นดับตัวนี้ได้ถ้าคุณเห็นเป็นขั้นตอนมานะเห็นทุกอริยศาสตร์รู้สมุทัยแล้วคุณมันนี่โลดเนี่ยคราวนี้ดับที่ตรงไหนอย่างที่อาจารย์มากีกพ็พูดไปบ้างแล้วดับที่ตรงไหนเ อ, อ้าดับที่ก็เขาพูดมาอย่างเงี้ยเขาด่ามาอย่างเงี้ยหูก็ไม่ตึงหูก็จะยินอยู่ฟังก็เรรู้เรื่องนะเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเราก็คนไทยเราฟังรู้เรื่อง เออไม่ใช่เขาด่ามาเป็นภาษาจีนเป็นภาษาฝรั่งเราฟังไม่รู้เรื่องก็ยิ้มให้เขาเขาด่าเอาด่าเอาก็ยิ้มให้เขาเอา้าไอ้อย่างนั้นมันฟังไม่รู้เรื่องนะอันนี้เขาพูดภาษาที่เราฟังรู้เรื่องเลยด่าเอาชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตเลยอ้อาวเราก็ฟังเข้าไปโอ้โหนี่ด่าเราจริงๆด้วยแต่บอกแล้วเราจับได้ใช่ไมเราเรารู้ว่าคราวนี้ถ้าคุณจับได้ว่าอ๋อทุกที่เกิดขึ้นเนี่ย เพราะเราไม่ชอบคนมาดา่ามาขัดใจเราเราไม่ชอบอะ่ะเราเกลียดอะเพราะฉั้นถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้คุณดับที่ตรงนี้ได้ตอนให้เขาด่าอยู่คนนี้คุณจะเกลียดไหมด่าได้ก็ด่าไปดิพวกเราชอบใช้สำนวนว่าด่าไปเธอเดี๋ยวก็หมดแรงเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็คอแห้งเองอเดี๋ยวก็ต้องหยุดเนี่ยถ้าคุณเข้าใจ อันนี้ได้คุณจะดับทุกได้ถูกตัวถูกตนคุณจะรู้นิโรธอริยสัจส่วนมรรคตัวสุดท้ายเนี่ยมรรคที่เป็นอริยสัจเวนะมรรคที่ต้องเป็นมรรคอริยสัจคราวนี้คุณก็จะหาวิธีการหรือรู้วิธีการที่จะเอามาใช้ใช้เป็นขั้นเป็นตอนที่จะทําให้เราเนี่ยดับทุกนั้นได้นะถ้าเป็นาศาสนาพุทธเนี่ยผู้เจ้าท่านก็สอน มร ก, ก็คือมรกองคปดให้ใช้เลยเพราะว่าในมรกองคปดเนี่ยมีทั้งต้องหัดคิดสามาทิ่ทีตั้งแต่ข้อที่1เนี่ยต้องหัดคิดต้องรู้จักคิดต้องรู้จักพูดมีสัมมาวาจาต้องรู้จักอา่ารู้จักมีกายกรรมเนี่ยกรรมมันตะเนี่ยอ่าต้องรู้จักนะอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ในมรกองคปดเนี่ยจะมีครบหมดเพราะฉะั้นคนเนี้ยจะหาวิธีกรรมวิธีกา ร, รต่างๆ ที่จะมาใช้เพื่อที่จะดับทุกข์ของตัวเองได้แล้วพอดับได้คราวนี้ต่อให้คุณไปเจออะไรที่โกรธที่โลภที่หลงที่เกียดชังอะไรยังไงไม่ทำให้คุณทุกข์ได้หรอกอะไรอะไรในโลกนี้ก็ไม่ทำให้คุณทุกข์ได้นี่อาตมายังพูดประเด็นนี่แค่พุทธนะเป็นผู้รู้เนี่ยในพูดพูดประเด็นที่ที่ง่ายๆให้คุณเข้าใจได้นะนี่ยังไม่พูดไปถึงประเด็นอ่ะอะ่แถมให้อีกหน่อย ยังไม่ยังไม่ได้พูดประเด็นที่ให้คุณเห็นทุกอริยสัจที่เป็นความยินดีเป็นความชอบใจเป็นความพอใจหรือภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นเป็นกามหรือว่าเป็นตัณหาเป็นราคะอะไรพวกนี้เพราะคุณยิ่งเห็นทุกอริยสัจยากใหญ่เลยคุณไปเห็นใครที่คุณตรงสเปคหรือว่าที่คุณชอบอะแล้วคุณก็เออรักใครชอบพออะไรอย่างนี้ คุณเห็นทุกอริยสัจไหมคุณจะเห็นไหมเอาอาหารสักจานหนึ่งโอ้โหของชอบเลยโอ้โหนี่ปรุงมาอย่างดีเลยกลิ่นชุยเลยนะเรียกว่าได้ตรงสเปคคุณทุกอย่างเลยสีก็น่ากินนะโอ้โหดูไอ้แม้หันมาก็ชิ้นพอดีพอดีเลยนะใส่จานมาจัดซ ส, สวยเลยคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกยังไง ะอะไรเกิดขึ้นฮะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ <c oughs> คุณจะรู้สึกเป็นสุขใช่ไหมโอโ้โหน่ากินจังเลยยิ่งถ้าได้กินยิ่งยิ่งสมใจยิ่งสะใจเลยคุณจะเห็นทุกอริยสัจเลยทําไมว่า น, นี่เริ่มพูดแงบุญที่คุณจะเริ่มเห็นได้ยากขึ้นแล้วแต่นี่ก็เป็นสัจจะนี่เป็นความเป็นจริง วันแล้วสิ่งนี้แหละที่เป็นเหยื่อล่อในโลกคุณจะเกลียดสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณจะรักคุณจะถูกใจในสิ่งที่คุณชอบวันเนี้ยยิ่งไปเจอบอกแล้วเสื้อผ้าสวยๆอาหารอร่อยๆใช่ไหมเงินเยอะๆอะรถรถยี่ห้อที่เราถูกใจมีแล้วคุณจะเห็นทุกอริยธสัตว์ใครนนว่านึกว่ามีคนเอาของสวยๆของงามของที่เราชอบชอบเนี่ยเอามาให้เราแล้ว โอ้โห oh, ทุกจังเลยเรียบเอาไปเดียวไปอยาเามาให้ทุกจังเลยมีไหมอันตรามาว่าเอ๊ะแทบมองหาไม่เห็นเลยนะเพราะเนี่ยทุกอริยสัจมันเห็นยากอย่างนี้เพราะระดับพุทธะเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเน่ยที่ท่านจะมารู้สิ่งเหล่านี้แล้วท่านรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านถึงพยามาแนะมาบอกคนแล้วท่านก็บอกเนี่ยโอ้โหบอกคนสอนคนมันยากอย่างเนี้ยเพราะคนมันมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยออก เมือ่อกี้อาจมาถึงพูดจากง่ายมาเริ่มมาหายากให้คุณดูและอันนี้ยังไม่ให้ยากที่สุดนะสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนี่ยังไม่ใช่ตัวยากที่สุดยังมียากกว่านี้อีกที่บางคนยังมองไม่ออกเลยว่าเอา้านี่ไม่ดีเหรอนี่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเหรอนี่ยังเห็นเป็นของดียังเห็นเป็นความสุขอยู่เลยเพราะฉนคนในโลกโลกเนี้ยนะที่เขาไม่พ้นทุกข์เพราะเขายังเห็น ความทุกข์เป็นความสุขอยู่ที่เขาถึงพ้นทุกข์ไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขายินดีเขาพอใจยิ่งยินดียิ่งพอใจคุณยิ่งอะไรยิ่งแสวงหาเข้ามาถูกไหมโอ้ยิ่งได้มาเยอะๆยิ่งดียิ่งชอบใครอยากได้เงินเดือนน้อยๆใครอยากไม่มีเงินคือเงินน้อยๆเงินจนๆมั่งฮะมีไหม นี่นี่คือคือความเป็นจริงทั่วๆวไปใครอยากได้แฟนหน้าตาขี้เละขีเลไม่มีอ่ะส่วนใหญ่เลยยังอยากได้สวยๆงามๆไอ้ที่ถูกใจเราทั้งทั้ที่ท่านก็ตัดยืนยันไว้เลยทุกนั่นน่ะยิ่งสวยๆงามๆเนี่ยแหละยิ่งทุกยิ่งกว่าได้ขี้เละมาอีกอ้าวจริงหรือเปล่า ก็รู้นะไอพูดไปโดยภาษาเนี่ยรู้นะว่าจริงโอโ้โหได้มาแล้วต้องหอบขวงต้องระวังแล้วก็ระวงเฮ้ไปไหนเนี่ยคุยกับใครหัวเราะกับใครไม่ได้นะโอโ้โหหึงหึงจนหึงเลยอะ่ะ เ, เพราะฉะนั้นอันเนี่ยเราก็พอฟังรู้อยู่นะแต่มันไม่ถึงจิตมันยังไม่ไม่เข้าใจทุกอริยสัจได้เพราะฉะนั้นก็ยังคงอยากได้เงินเยอะ อยากได้อะไรที่มันบำรุงบำเลสบายใจเยอะๆมากมายที่จริงวันเนี้ยอาตมาบอกก็ได้จริงๆเกจณาอาตมาอยากจะมาเทศเรื่องความสุขที่สุดวิเศษวันนี้นะจริงๆคิ ด, ๆ, คดๆมาเดินเบญบาตไปแล้วก็คิดๆมาไเออจะเอาเรื่องนี้มาเทศว่าความสุขที่สุดวิเศษที่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังเข้าใจความสุขแค่โลกๆความสุขที่เป็นโลกี ที่ความสุขของเขาเนี่ยต้องได้สมใจต้องได้ถูกใจเหมือนอย่างเงี้ยต้องได้รถยี่ห้อนี้แล้วถึงจะสุขใจจะถูกใจแล้วก็เป็นสุขทั้งๆ ท, ท, ที่ความจริงมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นทุกข์สุขแบบโลกๆเนี่ยสุขแบบนี้ทุกข์เขายังไม่เข้าใจสุขที่เป็นโลกุกตระสุขที่เป็นโลกุกตระนี่คือเป็นสุขที่สละออกหัดเสียออกไป แทนที่จะเอาได้มาเนี่ยต้องหัดเอาออกไปนะแล้วก็เป็นสุขกินไม่มีมือกินจุบกิบได้โดยทั่วไปเอาจะกินเมื่อไหร่ก็กินเป็นสุขถูกไหมแต่คนที่เข้าใจแล้วมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลแล้วเขาจะรู้เลยว่าเออจริงๆเริ่มลดมือได้น้อยลงยิ่งมือได้น้อยลงน้อยลงน้อยล ง, นยลงจนเหลือมือเดียวเนี่ย ที่เราถือว่าพอดีแล้วนี่โอ้โหยิ่งสุกเลยยิ่งสบายเลยคุณสัมผัสความสุขที่มันมันเป็นการลดละมันเป็นการเอาออกเป็นความสุขที่อาตมาเคยเทศเรื่องความสุขราคาถูกๆมาเคยเทศเรื่องความสุขราคาถูกๆไม่เห็นต้องราคาแพงเลยหรือว่าความสุขเอาจากคนที่ยังมีต้องมีครอบครัวเนี่ยความสุขต้องมีแฟนสวยๆมีแฟนหล่อๆเนี่ย ถ้าคุณเห็นได้คุณไม่เอาและรับรองได้เลยว่าโอ้โหป้องกันยากป้องกันยากยิ่งสวยๆหล่อๆโอ้ไใชไ่คุณจะเห็นทุกเลยแล้วบอกโอ้ไม่ต้องหรอกเอาคนดีดีกว่าไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่ออะไรเอาคนที่มีจิตใจดีมีศีลมีธรรมอะไรใช่ไหมคุณจะรู้จักเลือกได้ถูกต้องเนี่ยมากขึ้นเพราะอันนี้มันมีความสุขที่เป็นโลกุตระที่ดีที่วิเศษยิ่งกว่านั้น แล้วเพราะนั้นเอาสรุปตรงนี้นะถ้าใครเข้าใจาพุท ธ, ธเนี่ยเป็นผู้รู้ตัวที่หนึ่งนี้ได้คือเข้าใจอริยสัจสี่นี้ได้รับรองคุณจะพ้นทุกแล้วคุณก็ต้องฝึกอยู่ทุกวันนะคราวนี้เอาเลยนะคราวนี้ใครอยู่วัดก็ตามหรือใครกลับไปบ้านก็ตามหัดเลยหัดเอาอาริยสัจสี่เนี่ยมาคอยเตือนสติตัวเองว่อาอ้าวเราเราลึกถึงพุท ธ, ธะเนี่ยเป็นผู้รู้ เตัวที่หนึ่งเราต้องคอยเตือนตัวเราเองเลยเอออย่าหลงเพลิดเพลินนะอย่าหลงยินดีนะนี่มันทุกข์นะมันจะทําให้เรายิ่งติดแล้วก็เดี๋ยวพอไม่ได้มาก็ยิ่งยิ่งเดือดเนื้อร้อนใจนะหรือเราไปเจออะไรที่อะไรอ่ะไม่พอใจไม่ถูกใจเนี่ยก็ให้รู้เลยนะว่าอ่าต้องเห็นทุกขอริยสัจให้ได้นะอย่าไปเที่ยวกดไอ้นยไอ้นี่อะไรเขาเลยเนี่ยจับกิเลส ต, ตัวนี้ให้ดี ว่าเราไม่พอไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรตัวไหนของ้ของเราเองที่เราเนี่ยจะปรับจะแก้จิตเรายัางไงแล้วเราจะได้พ้นทุกอันนี้ได้จริงๆจะว่าไปแทบไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นก็ได้ยกเว้นว่าคนอื่นเขามายุ่งกับเราอันนี้จะเหนื่อยหน่อยจะยากหน่อยแต่เอาว่าบางทีเนี่ยหลายๆเรื่องจริงๆไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยเราเนี่ยแหละตัวเราเองไม่ต้องอื่นไกลอ่ะบางทีเดินไปเนี่ย เดินไปเห็นไนนอน้นนท์เห็นไอ้นี่เห็นนั่นข้างทางมัน่นหรือบางทีเดินกลับมาในบ้านมัน่งเดินไปในที่ทํางานตัวเองบ้างเห็นไอ้ น, น, น, นั่นเห็นไอ้นี่ไม่ถูกใจไม่พอใจเอาละเริ่มคิดทุกคิดไม่ชอบใจคิดเดือดเนื้อร้อนใจอะไรแล้วก็ยังไม่มีใครอะไรเลยนะตัวเองเห็นไอ้นั่นเห็นห น, นี่แล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดให้ตัวเองเนี่ยนะ่เป็นอกุศลจิตไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเพ่งโทษ คือคือคือเพ่งก็คือการดูการเห็นการมองเนี่ยเห็นแล้วก็ทําให้เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองไปพบไปเห็นอะไรแล้วก็คิดแล้วทําให้ตัวเองก็ทุกข์พอทุกข์อย่างยิ่เศษบอกแล้วถ้าไม่รู้เดี๋ยวก็โวยวายแล้วเพราะบางคนเนี่ยขี้บน่นส่วนใหญ่คนขี้บ่นเนี่ยพวกคนละเอียดมั่งคนอะไรมั่งไหนเห็นไอ้โดนเห็นไอ้นี่นิดอะไรก็ไม่ถูกใจไม่พอใจก็บ่นไปเรื่อยอะ บนทั้งๆที่บางทีเนี่ยไอคนอื่นเขาก็ไม่ชอบคนขี้บน <g ül> ยิ่งบางทีไปทํางานด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้เข้ากันไม่ได้เลยทีนี้นะั่นอย่างเงี้ยมันไม่แก้ปัญหาเพราะถ้าเราเข้าใจทุกอริยสัจอย่างนี้ได้รู้พุทธตัวนี้ได้เนี่ย น, นี่แคต่ตัวที่หนึ่งคุณจะโอ้โหชีวิตคุณจะล่มรื่นจะดีขึ้นมาตั้งเยอะนีอ่ะตอนนี้ไปตัวที่สองนะ พุทธะเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ตื่นขานี้ตื่นอะไรอันนี้บอกตื่นจากความหลงติดติดอะไรอะ่ะที่ถูกต้องแล้วก็คือตื่นจากกิเลสเราคืออย่าไปหลับเนี่ยแหละอย่าไปหลับอยู่กับกิเลสคนที่ไม่เข้าใจทุกอริยสัจชอบหลับกับกิเลส ต่อเมื่อเข้าใจทุกอริยสัตว์ได้แล้วนะถึงจะไม่หลับอยู่กับกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่ชอบหลับกับกิเลสก็บอกแล้วเพราะเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเออได้เงินเยอะๆแล้วเนี่ยมันทุกข์โอ้ต้องคอยระวังต้องคอยดูแลได้รถสวยๆแล้วมันทุกข์นะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เนี่ยว่าโอ้โหถ้าได้อย่างนั้นมาเก็บมาดูแลมารักษาแล้ว มันทุกข์มากๆถ้าเขารู้อย่างนี้เขาจะสละออกเห็นไหมเขาจะรู้ความสุขที่เป็นโลกุตระเขาจะลดลงเขาจะไม่ไปเอามากแล้วไม่ต้องไป ม, มีมากเสื้อผ้าเยอะๆโอโห้หทุกนะต้องหาตู้มาใส่จะเลือกใส่ทีก็โอ้โหตาลายไปหมดเลยกว่าจะเลือกมาใส่ได้ แทนที่จะเอยหยิบมาง่ายๆนะมีไม่กี่ตัวมันหยิบง่ายพอมีเยอะแยะเนี่ยตาลายบางทียืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่หน้าตู้เอาตัวไหนดีลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกทออุกนะจริงๆแล้วทุ ก, แ ล, กแล้วก็ต้องคอยให้ทันแฟชั่นต้องคอยไปอย่างการนี้ทุกจะตายไปแต่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาว่าเป็นสุขเห็นไมเมื่อเขาว่าเป็นสุข โอ้ได้ไปเดินเที่ยวห้างโอ้โหไอหน้นุ่นก็สวยไอน้นี่ก็สวยโอโ้มีเงินด้วยซื้อมาซื้อมาเก็บไว้นะเต็มบ้านเลยบางทีทําเดินจะไม่ค่อยมีอยู่ละอืมแล้วเขาก็าว่ามันเป็นสุขเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนี้เป็นสุกนี่เขาจะออกจากสิ่งเหล่านี้ไหมไม่หรอกเขาจะติดเป็นแตงเมเลยแหละเพราะเนี่ยใครไม่รู้ทุกอย่างนี้ เขาจะเห็นสิ่งเหล่านี้แหละมีเงินเยอะๆมีรถบุกโกโก้หรูๆนะแหมมีเงินเดือนสูงๆเยอะๆมากๆโอ้โหมีบ้านหลังใหญ่ๆอะไรพวกเนี้คือเขาจะนึกว่าอย่างนี้เป็นความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเขานึกอย่างนี้เนี่ยเขาก็ต้องกอบโกยต้องสแสวงหาอย่างนี้เอาไว้แล้วก็ต้องเก็บต้องดูแลรักษ า, าไว้ถ้าเกิดอะไรสูญเสียไปบ้างหักพังไปบ้างทุกทันที เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจอย่างนี้เขาก็จะจมหรือว่าจะหลับไหลอยู่กับความทุกข์แบบนี้หรือเขาถือว่าเป็นความสุขของเขาเพราะนันนี่แหละคือผู้ที่หลับอยู่กับกิเลสของเขาไม่เป็นผู้ตื่นเพราะฉะนั้นคนที่ตื่นแล้วคนที่รู้แล้วเนี่ยจะออกมาจะเริ่มรู้เลยมีเสื้อผ้าเยอะๆหลายๆชุดโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วมันทุกข์จริงๆเริ่มลดออก Thank you.